ถ้ามองพื้นอ๋อปัสสะนั่งอยู่ในวงล้อมนั่นเองทหารรูปร่างกำยำสามสี่คนควบคุมอย่างใกล้ชิดกานทั้งหลายการที่เราเรียกท่านไปตรงวันนี้ก็เพื่อแสดงอะไรบางอย่างให้ท่านได้ชมเราทราบดีว่ากองโจรที่หลบซ่อนอยู่ในป่าส่วนมากไปจากหมู่บ้านนี้และจะรับการอุปถัมภ์ด้วยสเสบียงอาหารจากที่ ผู้จะเป็นหัวหน้าโจงกรมนี้ก็คือนั่นเองบรของพ่อเท่ากัสปะนี่เองเราจะสอนให้พวกโจงรู้ว่าทุกครั้งที่เขายกพวกเข้าโจมตีเราเราจะลงโทษพ่อเท่ากัสปะอย่างหนักเพื่อเป็นการตอบแทนจานเทียนกัสปะอ๋อตายเราจะเียนกัสปะเทียนกัสปะอ๋อเเทีย น, น, นไปจนกว่าจะถให้หม ก็จงให้คนของท่านเลิกเป็นโจรซะให้ยอมมอบตัวแก่กองทหารหลวงซะโดยดีไม่อย่างนั้นพอเท่าจะเจ็บตัวทหารไ้เข้าไปอีกคนหนึ่งทหารหัวแท่หนังลงบนหลังของกัสะปะอย่างไม่นับ กัสระยบิดตัวเล่าๆได้ความเจ็บปวดแสนสาหัสแต่ไม่พูดและร้องแสดงความเจ็บปวดหรือวิงวอนขอความกรุณาจากทหารเลยเอาฝ่เาเท้าไปลงไปแล้ว เ, เราทนต่อไปไม่ได้แล้วหยุดหยุดหยุดวยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยหยุดหอยุดหยดหดหยุดหยุดหยุยุดหยุดดยุดหยุดหยยุดหยุดหยุยห ไอ้พอเทากระตบมาให้ฟืน้นขอให้ทุกคนรู้ไว้สิหนุวยว่านี่คือโจท์ของการโจมตีของทหารหลวงอย่าลืมว่าถ้านันทิยะขืนโจมตีเราอีกพ่อของมันจะถูกเคียนแบบนี้หรือถูกทน ร, ร้ายแรงกว่านี้ไม่เฉพาะแต่พ่อของมันเท่านั้นแม้แต่พลยาและบุตรก็จะถูกลงโทอย่างหนักเช่นเดียวกันขอให้ทุกคนจำไว้ พ อ, พ, ออออพอเท่ากัตริยพื้นเราพอเท่ากษัตริถ้าท่านไม่อยากเจ็บตัวอีกก็บอกลูกชายของท่านอย่าได้โจมตีเราอีกเข้าใจไหม <c oughs> ท่านผูม้มีอำนาจอย่าว่าแต่ท่านจะขี้นขบเจ้าให้เจ็บปวดกายเลยแม้แต่ท่านจะฆ่าขบาเจ้าให้ตายขพเจ้าก็จะมายอมบอกนั้นทิยะให้หยุดต่อสู้ไปนั้นขาดตรงกันขาม ข้าพเจ้าจะสั่งให้เขาทําการต่อสู้ล้างผลาญเชียนหนามของแผ่นดินให้หนักมือยิ่งขึ้นท่านคิดว่าข้าพเจ้าจะกลัวแท้ของท่านหรอสิไม่มีวันสักล่ะข้าพเจ้าไม่เคยกลัวเลยแม้แต่น้อยแม้แต่ความตายข้าพเจ้าก็ไม่กลัวนับประสาอะไรก็แท้หนังแค่นี่เชิญเค้นข้าพเจ้าตามสบายอ๋อ ด, ดี๋ยวนีมันต้องมือข้าเองสองเท่าไหม ก็ให้มันรู้ไปสิว่าทนมือข่าได้ไหมเรียเียเียากระสับะายสลบไปละสลบก็ไม่ยอมหยุดเพื่ยนหยาบเกินะ w h r e ความสัญญานะถ้านันทิยะยังโจมตีเราอีกต่อไปแม่เท่าจะถูกลงโทษอย่าลืมท่านทั้งหลายถ้าใครคนใดคนหนึ่งในพวกท่านสามารถจับตัวนันทิยะได้ไม่ว่าจับเป็นหรือจับตายพระเจ้าอาชาศัตรูจะทรงประทานราวัลเป็นเงินหนึ่งพะฮาาทันทีและถ้าใครสามารถจับตัวเถวมิตะหัวหน้าใหญ่ได้ไม่ว่าจับเป็นหรือจับตาย จะได้รอบกังวัล2องพันก็หาวะขอให้จับไว้แล้วประกาศต่อๆกันไปด้วย ขณะที่ชาวบ้านกําลังชุลมุนวุ่นวายกันอยู่นั้นก็ถือโอกาสออกจากหมู่บ้านมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกอากาศในตอนเช้ายังไม่ร้อนแรงเหมาะสําหรับการเดินทางเดินข้ามทุ่งนาเป็นเวลานานก็ถึงชายป่ามีบ่อน้ําอยู่ข้างหน้าเด็กเลี้ยงโคหลายคนนั่งอยู่รอบบ่อแวเข้าไปนั่งพักใต้ต้นไม้ ก็จะขอน้ําจากเด็กที่เลี้ยงโคนั้นดื่มกินพอนั่งลงเท่านั้นเด็กสามสี่คนก็กรูกันเข้ามาหาท่านมาจัดไหนอ่ะท่านมาจัดไหนฉันมาจาัด ก, กรุงราชครึกท่านมีข่าวดีอะไรบ้างไม่มีข่าวดีอะไรมีแต่ข่าวร้ายเอะ๊ะข่าวร้ายอะไรอ่ะเมื่อคืนที่ผ่านมาเน่ยฉันพักค้างคืนที่หมู่บ้านฟากทุ่งนาข้างโนนในตอนดึกสงัดพวกกองจนได้บุกเข้าโจมตีค่ายทหาร ที่ตั้งอยู่ชายป่าใกล้หมู่บ้านข้าทหารหลวงตายเกือบหมดเหลือรอดไม่กี่คนส า, นานองท่ น, นท่านเป็นคาดีที่สุดพวกเราท่นไม่ทราบแล้วเหร อ, อย่างงั้นเหรอถ้าอย่างนั้นฉันจะบอกพวกเธออีกอย่างหนึ่งกัสปะถูกทหารจับไปเคี่ยนอย่างทารุณและถ้ากองทหารถูกพวกโจทรทําร้ายอีกเมื่อไหร่ ก็จะเคี่ยนท่านผู้เฒ่าอีกเมื่อนั้นหาลุ น, ลนพวกมันจะได้เห็นดีกันนะในป่า น, นี้มีโจซุ้มอยู่หรือเปล่ามีแต่ท่านไม่ตอกตัวพวกโจนไม่ทำร้ายสมณะแต่เวลาเดินผ่านป่าไปอ่ะท่านควรระวังให้ดีอย่าเดินออกนอกทางเดินไปในขัดประดีจะได้รับอันตรายจากหลุมพลางส่งเต็มไป่ได้ขวากน้าท่านมีคาอะไรจะไปแจ้งพวกโจนเหรอไม่มีหรอกฉันไม่ได้เป็นพวกโจรหรือพวกใคร ฉันเป็นกลางเดินทางจาริกไปเรื่อยๆไม่มีจุดหมายจุดประสงค์ของฉันคือการปฏิบัติธรรมและสั่งสอนคนให้ตั้งอยู่ในความดีท่นานเป็นสมณะองค์แรกที่ไม่จีพักพวกของเราไปพวกเราไปนะท่านไป เด็กเลี้ยงโคต้อนฝูงโคกลับคืนสู่หมู่บ้านเป็นมูมูมันเป็นภาพแห่งความสงบสุขไม่มีพิษมีภัยเป็นภาพแห่งความสัมพนันธ์อันใกล้ชิดระหว่างคนและสัตว์เดรัจฉานแม้แต่คนกับสัตว์ยังสามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างสงบสุขชนันมนุษย์ด้วยกันแท้ๆจึงไม่สามารถอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขได้นะ่ะไปเดินไปเร็วไปเลย เบาหน่อยอย่าสุดกระชากจะงี้เลยเข้าไปเจ้าเจ็บเจ็บแค่นี้ํำรอ้องฮะเดี๋ยวเธอจะตายเดี๋ยวก่อนเกิดอะไรขึ้นอุบาศกนี่นทั้งสามคนที่นำอาหารไปส่งกองโตนในป่าโดยเอาอาหารมาผูกกัที่ท้องเอาผ้าคลุมซะทำทีเป็นว่ากำลังท้องแก่ทุกๆเวลาบ่ายจะพากันเข้าป่าทำเป็นว่าไปเก็บปืนเราสังเกตมานานแล้ววันนี้จึงสะกดรอยตามไป เห็นถนัดชัดเจนเลยทีเดียวเห็นอะไรเหรออุบาสกเธอทั้งสามคนนี้ได้นําห่ออาหารออกจากท้องมาซุกไว้ในที่นัดหมายไว้กับพวกตนแล้วเอาใบไม้แห้งห่อผ้ามัดติดกับท้องเอามัดฟืนเทินพิษะเดินกลับบ้านในที่สุดเราก็กลับได้ดังที่ท่านเห็นอยู่นี่เธอทั้งสามจะได้รับโทษทันประการใดอุบาสกตามกฎของพวกเรา เธอทั้งสามจะต้องตาย ชาวบ้านล้วนแต่สตรีเด็กคนชาราถูกป้อนมาประชุมกันที่ลานกลางบ้านซึ่งเป็นที่ตั้งค่ายของทหารหลวงพวกทหารก่อไฟกองใหญ่ขึ้นที่กลางสนามหญิงข้อวร้ายทั้งสามถูกนําตัวมาผูกมัดไ้กับหลักใกล้ๆกับกองไฟใบหน้าหญิงสาวทั้งสามมลหมองในทหารได้มายืนข้างหน้านักโทษทั้งสามนะหญิงทั้งสามคนนี้จะต้องถูกประหาร เพราะมีความผิดนะที่ได้ส่งเสบียงอาหารให้แก่พวกโจรผู้เป็นเสียนหนางของแผ่นดินเราเพื่อไม่ให้คนอื่นถือเป็นเยี่ยงอย่างต่อไปทหารเรียวมือพวกโจรเผาโจมตีกองทหารทางด้านทิศใต้กา า, า, า, ามา การร้ายแรงขันก็คงคราบแล้วอาหารต่อทุกข์กับภพโจรอัตมาทราบแต่ทุกอย่างก็เรียบร้อยลงด้วยดีเนี่ยเฮ้กว่าจะเรียบร้อยต่างก็ร่มตายไปฝ่ายละหลายคนทหารน่ะตายมากหน่อยโอ้ลูกแม่เจ้ากลับมาแล้วเหรอเจ้ากลับมาตั้งแต่เมาาื่อไรทํำไมเจ้าไม่กลับไปหาแม่แม่ดีใจแล้วก่นที่พบเจ้า อะไรกันเนี่ยอยู่ย่หญิงคนนี้ก็โผลเข้ามาสุดลงแทบเทา้ากอดขาวไว้แน่นหน้าตามนหมองผมเผ่้รุงรังเสื้อผ้าขาดกระรุ่งกระริบรู้ไหมอย่าปล่อยให้แม่อยู่คนเดียวแม่แต่แล้วแม่ไม่ีมี่พึงได้ได้อยู่ในโลกผาของเจ้าก็พินชีวิตไปนานแล้ว กลับไปอยู่บ้านกับแม่เถอดลูกครับเออน่าเบือนายจริงจริงเด๋ได้ถือสานางเลยท่านบุตริรนนางเป็นหญิงวิคนจริตนะวิกคนจริตถูกแล้วนางเดินทักเทพันเนกจรไปทั่วหมู่บ้านแล้วก็ตามทุง่งนาป่าไม้เพราะเห็นนักบวชรูปใดรูปหนึ่ง นางก็จะทึกทัดเอาว่าเป็นบุตรของตัวเองเออน้องหญิงขอเชิญเธอกลับไปบ้านก่อนเถอะขณะนี้บุตรกําลังเดินบินธบาตอยู่กลางหมูบ่บ้านขอให้นางกลับไปบ้านก่อนเตรียมที่ทางไว้ให้ดีเมื่อบินธบาเตเสร็จแล้วบุตรของนางจะไปหาที่บา้านหญิงหญิงนะเสร็จบินธบาตแล้วไปพบแม่ที่บ้านนะลุงนะ แม่จะปรับเพื่อเตรียมที่ทางและพัฒนาอาหารไว้ให้เราจะได้กินอาหารร่วมกันเป็นครั้งแรกอย่าลืมนะลูกตาแม่ไปละ แล้นี้อาตมาไม่ต้องไปบ้านยิงวิกลตจริตตามที่ท่านพูดไว้หรอกเลยเ อ, อ๋อไม่ต้องรอกท่านคำมันนะทำไมละ่ะพ่อจากเราไปแล้วนางก็จะลืมเรื่องนี้ ท, ะทะนันทีแล้วก็จะทัดเตะพันในกอนไปตามเรื่องของนางอย่าได้ถือเป็นสำคัญเลยทำไมนางจึงกลายเป็นคนวิกลจริตและอีกอย่างหนึง่งทำไมนางจึงชอบทึ่ทกทักว่าสมณะเป็นบุตรของนาง เรื่องมันมีไงท่านธรรมนะคือว่าก่อนนั้นนางก็มีสติสมบูรณ์เหมือนอย่างกับเราเรานี่แหละนางอาศัยอยู่กับลูกชายคนเดียวในกระท่อมท้ายหมู่บ้านตามมาอีกของนางน่ะตายมาหลายปีแล้วก็อาศัยบุตรชายทําไรไถนาหาเลี้ยงขีดต่อมาบ้านเมืองเกิดลุกเข็นบุตรชายของนางได้เข้าไปเป็นพวกโจรในป่า รวมรบกับพวกกองโจรเขาปลอมตัวเป็นภิกษุออกมาเยี่ยมมารดาอยู่เสมอเขาเป็นชายหนุ่มผู้กล้าหาญและทำการรบได้เก่งกล้าสา ม, มารถแต่นั่นและท่านธรรมณะธรรมดาหมองงูย่อมตายเพราะงูหมอช้างย่อมตายเพราะช้างฉันใดนักรบก็ย่อมตายเพราะการรบฉันนั่น หมายความว่าชายผู้นัน้นถูกแล้วในการเข้าโจงกีกองทหารหลวงเมื่อไม่นานมานี้ปรากฏว่าบุตรชายคนเดียวของนางได้ถูกอาวุธฆ่าก็ตายนี่กระบังเป็นต้นเหตุให้นางเกิดความเสียใจแล้วก็กลายเป็นคนวิกลจริตดังที่ท่านเห็นกลางวันนางจะท่องเที่ยวไปอย่างไม่มีจุดหมายพูดคุยคนเดียว หัวเราะกระลับร้องไห้ใครเห็นก็สงสารให้อาหารกับนางกลางคืนนางจะกลับกระท่อมนอนรุ่งเช้าก็ออกกระเวนต่อไปทุกทุกครั้งที่เห็นนักบวชนางก็จะตรงเข้าไปหาเรียกนักบวชว่าลูกชายแล้วก็ดึงให้ไปบ้านอย่างที่ทำกับท่านอาจจะเป็นประวั บุตรชายของนางปลอมตัวเป็นพิกจุมาพบนางบ่อยๆก็อาจจะเป็นได้สงครามก็เป็นอย่างนี้แหละทารุณโหดร้ายที่สุดต้นต่อความทารุณโหดร้ายอยู่ที่บุคคลคนเดียวเท่านั้นถ้าสามารถดับเพลิงพยาบาทในใจของเขาลงได้เพลิงสงครามก็อาจจะดับลงด้วยอัตมาลาก่อน ผ่านหลายหมู่บ้านทุกแห่งที่ผ่านได้ยินแต่ข่าวอันโหดร้ายทารุณของคู่ศึกทั้งสองฝ่ายข่าวกองโจนเข้าตีกองทหารหลวงทหารหลวงเข้าโจมตีกองโจนคนตายและบาดเจ็บเป็นจํานวนมากชาวบ้านที่ให้ความร่วมมือกับโจนถูกทหารหลวงจับทารุณกรรมบ่อยๆแต่มีที่น่าสังเกตอยู่อย่างหนึง่งในการรบทั่วไป ฝ่ายกองโจรเป็นฝ่ายมีชัยมากกว่าฝ่ายทหารหลวงท่านสมณะท่านได้ข่าวอะไรไหมข่าวอะไรเหรออุบาสกพระเจ้าปัดเส ท, ที่โกศลแห่งโกศลรัฐกําลังยกกองทัพหลวงมายกกองทัพหลวงมาที่ไหนละ่ะมาโจมตีกรุงราชคฤห์ทำไมจะต้องโจมตีกรุงราชคฤห์เพราะพระองค์แค้นเคืองเรื่องพระเจ้าอาชาติศัตรูปลงพระชน พระเจ้าพิมพิสารและทรงทาทารุณกรรมต่อพระราชมารดาข่าวนี้ทำให้กองโจรกำเริบเสบสารยิ่งขึ้นแต่ขณะเดียวกันพระเจ้าอาชาติศัตรูก็ได้ปราบปรามหนักมือยิ่งขึ้นเหมือนกันเพื่อปราบกองโจรอันเป็นศัตรูภายในให้ราบคาบก่อนจะได้เผชิญหน้ากับกองทัพของโกศลลัฐกลยุทธ์สุดท้ายที่พระองค์นาออกใช้กับกองโจรก็คืออะไร ท่านทราบไหมอัตมาไม่ทราบอะไรเหรอพระองค์สั่งจับบีดามานดาและญาติพี่น้องของกองโจนชั้นหัวหน้าเอาไปทั้งหมดไว้เป็นตัวประกันแล้วประกาศให้โจนยอมแพ้เสียแต่โดยดีภายในเจ็ดวันไม่อย่างนั้นแล้วพระองค์จะจับตัวประกันฆ่าที่ทั้งหมด ผู้เจริญอวสุเทวะดีใจที่ได้พบท่านแต่รู้สึกว่าใบหน้าของท่านจะมนหมองนะอาจจะเป็นไปได้เพราะความทุกข์ใจพวกเราจวนจะได้รับชัยชนะอยู่แล้วยิ่งกว่านั้นกองทัพของพระเจ้าปัสเสนาติโกศลกําลังยกมาช่วยแต่พระเจ้าอาชาศัตรูนํากลยุทธ์อันศกปรกออกมาใช้อัตมาทราบแล้วท่านเชื่อไหม ว่าพระเจ้าอาชาศัตรูจะกล้าฆ่าตัวประกันอัตมาไม่มีความสงสัยใดๆแม้แต่พระบิดาบังเกิดกล้าวของพระองค์ยังฆ่าได้จะไหนพระองค์จะไม่ฆ่าคนอื่นเฉพาะ อ, อย่างยิ่งคนที่เป็นศัตรูของพระองค์โดยตรงอแต่ยังไงก็ตามข้าพระเจ้าจะไม่มีวันยอมแพ้ไม่ว่าเขาจะฆ่าตัวประกันของเราหรือไม่ข้าพรเจ้าเชื่อว่า คนของเราที่ถูกจับไว้เป็นตัวประกันคงยินดียอมตายเพื่อเราและเพื่อมคดทรัตเราจะสู้ต่อไปสู้จนกว่าจะประสบชัยชนะเวลานี้ชัยชนะอยู่แค่เอื้อมแล้วพระเจ้าปเสนทิโกสนยกกองทัพมาถึงเมื่อใดพระเจ้าัอาชาสัตรูผู้เลวสามตำชาจะต้องถึงวาระสุดท้ายเวลานี้ท่านไม่จะเทวมิตร อ, อุบาสก ผู้มีใจประกอบด้วยธรรมอันสูงอีกต่อไปแล้วแต่เป็นหัวหน้าโจรผู้ยินดีในการเข่นฆ่าผู้อื่นแต่ถึงกระนั้นอาตมาก็ยังหวังดีต่อท่านอยากช่วยท่านในพ้นจากความทุกข์ถ้าท่านยังเคารพนับถืออาตมาอยู่อาตมาก็อยากสนทนากับท่านนานๆนนออถึงแม้ข้าพเจ้าจะเลวสามต่ำช้าเพียงใดข้าพเจ้าก็ยังเคารพนับถือท่านอยู่ ถ้าอย่างนั้นก็ดีแล้วอัตมาอยากจะพูดอะไรบางอย่างเมื่อสักครู่นี้ท่านประนามพระเจ้าอาชาศัตรูเป็นคนชั่วช้าเลวทรามท่านอาศัยเหตุผลอะไรจึงพูดเช่นนั้นทำไมจะไม่ชั่วช้าเลวทรามเลวทรามยังไงละ่ะเขาฆ่าบีดาได้ลงคอ ซ้ำอย่างทรมานมารดาอย่างทารุณโหดร้ายอีกด้วยเอาละอาตมาเห็นด้วยพระเจ้าอาชาศัตรูเป็นคนชั่วค่าบิดาของตัวเองทีนี้อาตมาอยากจะขอถามท่านว่าเมื่อเราเห็นคนชั่วกระทำกรรมชั่วและกำลังเดินทางไปสู่นรกจำเป็นด้วยหรอที่เราจะต้องทำกรรมชั่วอย่างเขาและเดินทางร่วมกับเขาไปสู่นรก ไม่จําเป็นเลยแต่ข้าพเจ้าไม่ได้ทําความชั่วตามพระเจ้าอาชาศัตรูนี่ทงกันข้ามข้าพเจ้ากําลังพยายามกําจัดคนชั่วให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินมคธรัตจะหากักแต่อัตมาเห็นว่าท่านกําลังจะกระทําชั่วตามอย่างพระเจ้าอาชาศัตรูเพราะท่านกําลังจะฆ่าบุตรภัญญาของท่านเองฆ่าบิดามารดาของบรรดาลูกน้องของท่านอย่างโหดร้ายทารุณ เช่นเดียวกับพระเจ้าอาชาศัตรูเขาพเจ้าฆ่ายังไงเปล่านะเขาพระเจ้าไม่ได้ฆ่าพระเจ้าอาชาศัตรูตาหาจับเขาไปเป็นตัวประกันและจะฆ่าเขาแต่พระองค์จะฆ่าต่อเมื่อท่านไม่ยอมแพ้ยังคืนรบต่อไปเท่านั้นถ้าท่านยอมแพ้ภายในเจ็ดวันพระองค์ก็จะไม่ฆ่าความเป็นความตายเขาเหล่านั้นจึงอยู่ที่ท่านไม่ได้ขึ้นอยู่ที่พระเจ้าอาชาศัตรู ถ้าท่านคืนรบต่อไปก็เท่ากับท่านสั่งให้พระเจ้าอาชาสตรูฆ่าเขาซึ่งมีผลเท่ากับท่านฆ่าเขาเองเมื่อเป็นเช่นนี้ก็เท่ากับท่านทําความชั่วตามอย่างพระเจ้าอาชาสตรูและกําลังเดินตามพระองค์ไปสู่นรกพระเจ้าอาชาสตรูยังดีซะอีกดีอย่างไงพระองค์ฆ่าบิดาของตนคนเดียวแต่ท่านจะฆ่าบุตรปัญญาของท่าน พร้อมบิดามารดาญาติพี่น้องของพวกท่านอีกเป็นจํานวนร้อยหมายความว่าท่านกําลังจะแนะนําให้ข้าพระเจ้าเนะี่ยยอมแพ้ศัตรูเพื่อช่วยชีวิตคนของเราไว้อย่างนั้นเหรออาตจจมาจะไม่ขอร้องให้ท่านยอมแพ้และจะไม่ขอร้องให้พระเจ้าอาชาศัตรูยอมแพ้จะไม่มีฝ่ายใดแพ้ฝ่ายใดชนะในการต่อสู้คราวนี้ แต่จะขอร้องให้เจ้าสองฝ่ายเลิกรากันไปเองการเข็นฆ่าทารุณกันจะได้ยุติลงความสงบสุขจะได้กลับคืนสู่มาคธรัตท่านจะทำยังไงท่านผู้จเจริญถ้าท่านรับรองว่าจะเลิกการต่อสู้ภายในเจ็ดวันอาตมาจะเข้าเฝ้าพระเจ้าอาชาศัตรูขอร้องให้พระองค์เลิกการปราบปรามกองโจรและพระราชทานอภัยแก่พวกโจรทั้งหมด ปล่อยตัวประกันที่จับไว้คืนทรัพย์สมบัติที่ยึดไว้ให้แก่ศัตรูไม่ให้อาความผิดกับโจรให้เป็นอันเลิกแล้วกันไปท่านจะเห็นดีด้วยกับความคิดนี้หรือไม่สำหรับข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นความคิดที่ดีถ้าพระเจ้าอาชาศัตรูทําได้ตามที่ท่านพูดข้าพเจ้าจะต้องไปปรึกษากับพวกดูก่อนพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้ขอให้ท่านมาพบข้าพเจ้าที่นี่อีก Thank you. เจามีกิราสิ่งใดสิงมโหารเข้าไเจ้าถึงในราชนิเวศอาตมภาพชื่อเรวัตะเตระเคยเป็นประธานสงอยู่ที่พระเวุวานารามมาก่อนได้ทราบว่าเวลานี้มหาบพิษกําลังมีพระราชกรณียกิจยุ่งเหยิงไหนจะต้องจัดราชการงานเมืองไหนจะต้องปราบเทียนหนามแผ่นดินไหนจะต้องเตรียมไพร่พลไว้ต่อสู้กับศัตรูอาตมภาพรู้สึกเห็นพระไทย และอยากจะช่วยเหลือมหาพ่พิศในสิ่งที่พอจะช่วยเหลือได้มีอะไรบ้างที่พระคุณเจ้าเห็นว่าพอจะช่วยเขาไปเจ้าได้อาตมาภาพพอจะช่วยได้ในด้านการเจรจาให้พวกกองโจรเลิกสู้รบพระคุณเจ้าเหรอช่วยเลือนี้ได้ถูกแล้วอาตมาภาพคุ้นเคยกับเทวมิตรหัวหน้าใหญ่กองโจรเป็นอย่างดีเมื่ออาตมาภาพยังอยู่ที่พระเวลวนารามเขาไปสมาทานศีล และฟังทําเป็นประจำอาตมาเชื่อว่าจะเจราจาให้เขาเลิกได้ต่อพระคุณเจ้าเช่วยเจราจาให้เขาเลิกครบได้เป็น<ร>ก็เป็นประโยชน์แก่แผ่นดินอย่างใหญ่หลวงทีเดียวแต่ข้าพเจ้ายังสงสัยว่าพระคุณเจ้าจะทํำยังไงอาตมาภาพรับรองว่าอาตมาภาพทําได้ถ้าได้รับความร่วมมือจากมหาบาพิตรพระคุณเจ้าจะให้ข้าพเจ้าร่วมมืออะไรบ้างอาตมาภาพไถ่ขอให้มหาบาพิตร ทรงประทานอาภัยแก่พวกโจรทุกคนอย่าถือโทษโกรธเคืองคิดลงพระราชอาญาปล่อยให้เขากลับคืนบ้านเรือนประกอบการงานเลี้ยงชีพเป็นปกติส่วนบิดามารดาและญาติมิตรของพวกโจรที่มหาปพิษจับตัวไว้เป็นประกันก็ให้ทรงปลดปล่อยเขาเป็นอิสระเสียซับสมบัติเคหาสถานบ้านเรือนของเขาที่ทรงยึดไว้ก็ทรงประทานคืนให้เขาไป ถ้าพระองค์ทรงกระทําตามเงื่อนไขสามประการนี้ได้อาตมาภาพรับรองว่าพวกโจรจะวางอาวุธทันทีเงื่อนไขทั้งสามข้อที่พระคุณเจ้าเสนอมาเนี่ยเป็นสิ่งที่ข้าพเจ้ากระทำได้อย่างสบายเพราะข้าพเจ้าเคยคิดไว้แล้วเหมือนกันข้าพเจ้าอยากจะให้เหตุวุ่นวายภายในรัฐสงบราบคับไปแล้วที่สุดจะได้มีโอกาสเตรียมรับมือกองทัพแห่งโกศลรัฐอย่างเต็มที่ไม่ต้องกังวลกับค่าศึกภายใน เป็นอนุ瓦เข้าไเจ้ายินดีรับเงินไขาั้งสาประกายของท่านอาจจมาภาพขออนุโมทนาในน้ำพระทัยอันสูงส่งของมหาบาพิตรนับว่ามหาบาพิตรทรงมุ่งต่อสันติภาพและทรงหวังดีต่อไพร่ฟ้าค่าแผ่นดินอย่างแท้จริงถ้าพวกโจรได้ทราบถึงน้ำพระทัยอันแท้จริงของพระองค์คงจะหมดความอาฆาตพยาบาทและเกิดความจงรักภักดีในมหาบาพิตร